อัตถกถามหานิบาตอัตถกะถาเตมิยชาดกที่หนึ่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชเ ต, เตวันมหาวิหารทรงพระปรารพบมหาพิเนกขมมะบารมีตรัสพระธรร ม, มเทศนานี้ว่าท่านอย่าแสดงว่าเป็นคนฉลาดมาปัณดิต จ, จะยังวิภาวยะดังนี้เป็นต้นความพิสดารว่า วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันอยู่ในโรงธรรมสภาขณะนามหาพิเนคขมบรมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นด้วยทิพโสดเสด็จออกจากพระคันทกุดีมายังธรรมสภาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายประชุมเจรจากันถึงเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรามีบา ร, รมีเต็มแล้วทิ้งราชสมบัติออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ในบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยเมื่อก่อนยานยังไม่แก่กล้าเรากำลังบำเพ็ญบา ร, รมีอยู่ได้ทิ้งราชสมบัติออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่นั้นจึงน่าอัศจรรย์ตรัส ด, ดังนี้แล้วทรงนิ่งอยู่ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนให้ทรงเล่าเรื่องจึงทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายในอดีตการพระราชาพระนามว่ากาสิกราชครองราชสมบัติโดยธรรมโดยเสมอในกรุงพาราณสีพระองค์มีสนมนารีประมาณหนึ่งหมื่นหกพันคน บรรดาสนมนารีเหล่านั้นแม้สักคนหนึ่งก็ไม่มีโอรสหรือทิดาเลยการนั้นชาวพระนครกล่าวกันว่าพระราชาของพวกเราไม่มีพระโอรสแม้องหนึ่งที่จะสืบพระวง์จึงประชุมกันที่พระลานหลวงโดยในอันมาแล้วในกุสราชาดกนั่นแลกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมมุติเทพ ขอพระองค์จงทรงปรรถนาพระโอรสเถิดพระราชาทรงสดับคำแห่งชาวเมืองนั้นแล้วตรัสเรียกสนมนารีนึ0ง0มาในขณะนั้นและมีพระราชดำรัสสั่งว่าเจ้าทั้งหลายจงปรรถนาบุตรสนมนาีเหล่านั้นทำกิจเป็นต้นว่าวิงวอนและบำรุงเทวดาทั้งหลายมีพระจันทร์เป็นต้น แม้ปรารถนาก็หาได้โอรสหรือธิดาไม่ฝ่ายอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระธิดาแห่งพระเจ้ามัทราชพระนามว่าจันทาเทวีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสีลาจารวัตพระราชามีพระราชดำปรัสสั่งว่าน้องหญิงแม้เธอก็จงปรารถนาพระโอรส พระเทวีได้สดับพระราชดำรัสของพระราชสวามีแล้วทรงทูลรับพระราชดำรัสแล้วจึงสมาทานอุโบสถในวันเพ็ญเรื่องสรรพพาผนบันทมเหนือพระยี่ผู้น้อยทรงอาวชนาการถึงศีลของพระองค์ได้ทรงกระทาสัจจกิริยาว่าถ้าข้าพเจ้ารักษาศีลไม่ขาดขอบุตรของข้าพเจ้าจงเกิดขึ้นด้วยสัจจวาจานี้ ด้วยเดชานุภาพแห่งศีลของพระนางจันทาเทวีนั้นปันดุกรรมผลศิลาอาศของเท้าสักกะเทวราชแสดงอาการร้อนเท้าสักกะเมื่อทรงอาวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้นว่าพระนางจันทาเทวีปรารถนาโอรสตกลงเราจะให้โอรสแก่พระนางนั้นทรงพิจารณาถึงโอรสที่สมควรแก่พระนางก็ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ การนั้นพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพรรณสีได้20ปีเคลื่อนจากมนุษยโลกนั้นบังเกิดในอุสุทธนรกสเสวยทุกข์อยู่ในนรกนั้น8ปดห0ื่นปีเคลื่อนจากนรกบังเกิดในพิภพดาวดึงดัมรงอยู่ในดาวดึงนั้นตลอดอายุเคลื่อนจากดาวดึงนั้นประสงค์จกไปเทวโลกชั้นสูง ครั้งนั้นเท้าสักกะเสด็จไปสู่สำนักของพระโพธิสัตว์ตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้นิรุธุกเมื่อท่านเกิดในมนุษยโลกบารมีทั้งหลายของท่านจักเต็มเปี่ยมความเจริญจักมีแก่มหาชนและแก่พระชนกชนนีของท่านด้วยว่าพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชพระนามว่าจันทาเทวีประทนานโอรส ท่านจงอุบัตในพระคันของพระนางนั้นแล้วท้าวสักกะถือเอาซึ่งปฏิญญาของพระโพธิสัตว์นั้นและของเทวบุตรทั้งหลายประมาณ500องค์พูดจักจุติแล้วเสด็จกลับไปยังที่ประทับของพระองค์ทีเดียวพระโพธิสัตว์นั้นรับเทพพระบัญชาแล้วจุติพร้อมกับเทวบุตร500องค์ พระองค์เองถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางจันทาเทวีส่วนเทวบุตรประมาณ500องค์นอกนี้ได้ถือปฏิสนธิในคันของภริยาอมารทั้งหลายการนั้นพระคันของพระนางจันทาเทวีเป็นประหนึ่งเต็มไปด้วยแก้ววิเชียนพระนางทรงทราบว่าตั้งคันจึงกราบทูลแด่พระราชาพระราชาทรงทราบดังนั้น จึงได้พระราชทานคันบริหารแก่พระนางพระนางมีพระคันครบกำหนดแล้วก็ประสูตรพระโอรสซึ่งสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดมทัรยาอมาตทั้งหลายก็คลอดกุ ม, มาร5 0าในเรือนอมาตในวันนั้นเหมือนกันขณะนั้นพระราชาประทับอยู่ในที่เสด็จออกแวดล้อมไปด้วยหมู่อมาต ร, ราชบริพาร ลำดับนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้วพระเจ้าค่าพระเจ้ากาศิกราชได้ทรงสับยําของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นทรงมีความรักในพระโอรสเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตัดพระชวีจดพระอัถิมินยชะดำรงอยู่เกิดพระปีติซาบซ่านภายในพระกมน แม่หไทยของอ ม, มาตราชบริพานทั้งหลายก็เกิดเยือกเย็นทั่วกันพระราชาตรัสถามเหล่าอ ม, มาตว่าท่านทั้งหลายดีใจหรือเมื่อลูกชายของเราเกิดอ ม, มาตเหล่านั้นกราบทูลว่าพระองค์ตรัสถามใหญ่พระเจ้าค่าเมื่อก่อนข้าพระองค์ไร้ที่พึ่งบัดนี้พวกข้าพระองค์มีที่พึ่งได้เจ้านายแล้ว พระเจ้ากาสิกราชได้ทรงสดับคําของเหล่าอมัดก็เกิดพระปีติรื้มพระไทยจึงตรัสเรียกคุตตะมหาเสนาบดีมาตรัสสั่งว่าท่านคุตตะมหาเสนาบดีผู้เจริญลูกชายของฉันควรจะได้บริวารท่านจงไปตรวจดูว่าในเรือนอมัดมีทารกเกิดในวันนี้เท่านี้มหาเสนาบดีรับพระราชบัญชาแล้ว ไปตรวจดูเห็นทารกในเรือนอมาร500คนจึงกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระราชาได้ทรงสับคํคของอมาตเหล่านั้นก็เกิดพระปีติจึงตรัสสั่งให้พระราชทานเครื่องประดับสำหรับกุมารแกทารกทั้ง5 0 0คนและให้พระราชทานนางนม500คนแต่สำหรับพระมหาสัตว์พระราชาพระราชทานนางนม64นาง ล้วนแต่เป็นนางนมผู้เว้นโทษมีนางนมผู้สูงเกินไปเป็นต้นนมไม่ยานน้ำนมมีรสหวานถามว่าเพราะเหตุไรจึงเว้นนางนมที่มีโทษเช่นนั้นเพราะเมื่อทารกนั่งดื่มนมข้างสตรีที่สูงนักคอทารกจักยืดยาวเกินไปเมื่อทารกนั่งดื่มนมข้างสตรีเตี้ยนักกระดูกคอทารกจักหดสั้น เมื Wagner, ่อทารกนั่งดื่มนมข้างสตรีผอมนักขาทั้งสองของทารกจักเสียดสีกันเมื่อทารกนั่งดื่มนมข้างสตรีอ้วนนักเท้าทั้งสองของทารกจักเพลียสตรีมีผิวดำนักน้ำนมเย็นเกินไปสตรีมีผิวขาวนักน้ำนมร้อนเกินไปเมื่อทารกดื่มนมของสตรีนมยานจมูกจักแฟบสตรีเป็นโรคหืด มีน้ำนมเปรี้ยวนักสตรีเป็นโรคมองคราอน้ำนมจักมีรสวิการต่างๆมีเผ็ดจัดเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระเจ้ากาศิกราชทรงเว้นโทษทั้งปวงเหล่านั้นพระราชทานนางนม64คนที่เว้นจากโทษมีสูงนักเป็นต้นนมไม่ยานน้ำนมมีรสหวานทรงทำส ก, การะอันยิ่งใหญ่ ได้พระราชทานพรแม้แก่พระนางจันทาเทวีพระนางรับพระพรแล้วถวายคืนไว้ก่อนในวันขนานพระนามพระโพธิสัตว์พระเจ้ากาศิกราชทรงทำสักการะเป็นอันมากแก่เราพร้อมผู้รู้ลักษณะพยากรณ์แล้วตรัสถามถึงอันตรายของพระมหาสัตว์พร้อมผู้รู้ลักษณะพยากรณ์เหล่านั้นเห็นพระลักษณะสมบัติแห่งพระโพธิสัตว์ จึงกราบทูลว่าพระโอรสของพระองค์สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดมอย่าว่าแต่ทวีปหนึ่งเลยพระโอรสของพระองค์ทรงสามารถครองราชสมบัติในมหาทวีปทั้งสมีทวีปน้อยสองพเป็นบริวารอันตรายอะไรๆจะไม่ปรากฏแก่พระโอรสเลยพระเจ้ากาสิกราชได้ทรงสดับคําของพรามเหล่านั้นก็ทรงยินดี เมื่อทรงขนานพระนามพระกุมารได้ทรงขนานพระนามว่าเตมิยกุมารเพราะเหตุในวันที่พระกุมารประสูติฝนตกทั่วกาศิกรรัตและเพราะพระกุมารประสูติเป็นเหมือนยังพระหรุไทยแห่งพระราชาหัวใจแห่งหมู่อมารและมหาชนให้ชุ่มชื่นลำดับนั้นนางนมทั้งหลายยังพระโพธิสัตว์ผู้มีพระชนได้หนึ่งเดือน ให้สนานประดับองค์แล้วนำขึ้นเฝ้าพระราชบิดาพระราชาทอบพระเนรเห็นพระปิโยรสทรงสวมกอดจุมพิษที่พระเศียรแล้วให้ประทับบนพระเพ่าประทับนั่งรื่นรมย์อยู่ด้วยพระกุมารขณะนั้นพวกราชบุรุษนํนำโจรสี่คนมาหน้าพระทินั่ง พระราชาทอดพระเนตรเห็นโจรเหล่านั้นแล้วมีพระราชดำรัสสั่งให้ลงอาญาโจรเหล่านั้นให้เอาหวายทั้งหนามเคี่ยมโจรคนหนึ่งหนึ่งพันทีให้จองจำโจรคนหนึ่งด้วยโซ่ตรวนแล้วส่งเข้าเรือนจำให้เอาหอกแทงที่สรีระของโจรคนหนึ่งให้เอาเหลาาเสียบโจรคนหนึ่งครั้งนั้นพระมหาสัตว์ได้ทรงฟังพระดารัสของพระบิดา ทั้งกลัวทั้งสะดุ้งทรงดำริว่าโอพระชนกของเราอาศัยราชสมบัติทำกรรมอันหนักเกินซึ่งจะไปสู่นรกวันรุ่งขึ้นพระพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายให้พระมหาสัตบัรทมเหนือพระแท่นที่สิริสายญาติซึ่งตกแต่งแล้วภายใต้สเสวตชัรพระโพธิสัตว์บัรทมหน่อยหนึ่งตื่นบรรทมลืมพระเนตรทั้งสอง ท้พระเนศเวตชัติเห็นสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ลำดับนั้นความกลัวอย่างเหลือล้นได้เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ผู้ทั้งกลัวทั้งสะดุ้งอยู่เป็นปกติแล้วพระองค์ทรงดำริว่าเราจากที่ไหนมาสู่พระราชมเทีย น, นี้เมื่อทรงใครครวญดูก็ทรงทราบโดยทรงระลึก ช, ชาติได้ว่ามาจากเทวโลก เมื่อทรงทอดพระเนตรต่อจากนั้นไปอีกก็ทอดพระเนตรเห็นว่าไปไม่อยู่ในอุสุธทธนรกเมื่อทรงทอดพระเนตรต่อจากนั้นไปอีกก็ทรงทราบว่าพระองค์เป็นพระราชาในพระนครนั้นเที่ยวเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาอยู่ว่าเราได้ครองราชสมบัติในกลุงภพาราณสียี่สิบปีแล้วไม่อยู่ในอุสุธทธนรกแปดหมืปี บัดนี้เราบังเกิดในเรือนหลวงดุจเรือนโจร น, นี้อีกเมื่อวานนี้เขานำโจรสี่คนมาพระบิดาของเราได้กล่าวพระรุสวาจาเช่นนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ตกนรกหากว่าเราครองราชสมบัติก็จักบังเกิดในนรกเสวยทุกข์ใหญ่อีกดังนี้ได้เกิดความกลัวเป็นอันมากพระสรีระซึ่งมีวันณะดุจทองของพระโพธิสัตว์ ได้เหี่ยวมีวั น, นะเศร้าหมองเรากะว่าดอกปทุมที่ถูกขยำด้วยมือฉะนั้นพระองค์บัรทมดำริอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากพระราชมนเทียนซึ่งดุดเรือนโจรนี้เสียได้